คำพีวิสุทธิมักสารัฐวิจารคำพีวิสุทธิมักนี้นั้นเป็นคำพีพิเศษคำพีหนึ่งมูปราดสงเคราะห์เข้าไว้ในประเภทอัทธัศถาซึ่งมีความสำคัญเป็นที่สองรองลงมาจากบาลีท่านมหาพุทธโคสะเทระชาวชมพูทวีปรจนาขึ้นณประเทศลังกาสมัยเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว มีหนังสือสําหรับอธิบายขยายความของคัมภีร์วิสุทธิมารคนี้อีกคัมภีร์หนึ่งซึ่งสงเคราะห์เข้าไว้ในประเภทดีกาชื่อปรมัตถมันชุสามหาดีกาท่านธรรมปาละเทระโรจนาขึ้นภายหลังต่อมาณนะประเทศลังกานั้นเหมือนกันที่ท่านมหาพุทธโคสะเทระตั้งชื่อคำพีของท่านว่าวิสุทธิมารคะนั้น ท่านได้ให้อา ธ, าธิบายไว้อย่างแจ่มชัดว่าคำว่าวิสุทธิหมายเอาพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาพระนิพพานที่ได้ชื่อเช่นนั้นโดยความหมายว่าเป็นสภาพที่บริสุทธิ์หมดจดกิเลสมนทินโดยสิ้นเชิงคำว่ามรคะหมายความว่าผนทางหรืออุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึงเมื่อรวมเข้าเป็นคาเดียวกันว่า วิสุทธิมกักขก็ได้ความหมายว่าทางสู่พระนิพพานหรืออุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึงพระนิพพานฉะนี้ผู้ที่อ่านหรือเรียนคำภี์วิสุทธิมกักจึงได้ชื่อว่าอ่านหรือตรวจดูแผนที่อันชี้บอกทางสู่พระนิพพานผู้ที่ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้แก่พยายามรักษาศีลตามเพศภูมิของตนให้บริสุทธ แล้วเจริญภาวนาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้ชื่อว่ากำลังเดินไปในทางสู่พระนิพพานเมื่อได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานลุถึงขั้นญานณทัศนวิสุธทธิแล้วได้ชื่อว่าเดินไปถึงจุดหมายปลายทางคือลุถึงพระนิพพานแล้วที่ว่าคำพีวิสุธทธิมัก เป็นคำภีที่แสดงแผนที่หรือทางสู่พระนิพพานนั้นอะไรเป็นแผนที่หรือทางสู่พระนิพพานและท่านแสดงไว้อย่างไรในคำภีวิสุทธิมรรคนี้นั้นท่านมหาพุทธโคสะเทระแสดงสารัตถะไว้ยีสสามตอนเรียกว่าปริเชตดังนี้คือปริเชตที่หนึ่งเรียกว่าสิลานิเทศ แสดงถึงการรักษาศีลอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายปาริเชตที่สองเรียกว่าทุตังคนิเทศแสดงถึงวิธีการบำเพ็ญทุดงควัดบำบัดความมากักมากให้เบาบางและส่งเสริมศีลให้บริสุทธิ์พุดพองได้ที่มีประสิทธิภาพพอที่จะรองรับสมถกรรมฐานต่อไป ปริเฉตที่สเรียกว่ากรรมฐานนะักะหาห น, นิเทศแสดงถึงบุพภกิกตเบื้องต้นก่อนลงมือเจริญสมถกรรมฐานและวิธีเรียนเอาสมถกรรมฐานส0ประการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัธยาศัยปริเฉตที่สเรียกว่าปัตวีกสินนิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญปัตวีกสินกรรมฐานโดยพิสดาร เป็นสมัตกรรมฐานประการแรกปริเชตที่ห้าเรียกว่าเศษกสินนิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญกสินกรรมฐานที่เหลืออีกสามอย่างมีอาโปกสินเป็นต้นปบริเชตที่หเรียกว่าอสุภกรรมฐานนิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญอสุภกรรมฐานสิประการ มีอุทุมาตะกะอสุภะเป็นต้นอันเป็นหมวดที่หนึ่งรองจากกษินสิบเปริเชตที่เจ็ดเรียกว่าจะอนุสตินิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญอนุสติกรรมฐานหกประการมีพุทธานุสติเป็นต้นมีเทวตานุสติเป็นที่สุดปริเชตที่แปดเรียกว่าอนุสติกรรมฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสติกรรมฐานที่เหลืออีกสี่ประการมีมรณานุสติเป็นต้นสองปริเชนนี้ว่าด้วยอนุสติสิบประการปริเชนที่เก้าเรียกว่าพรหมวิหารนิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญพรหมวิหารกรรมฐานสี่ประการมีเมตตากรรมฐานเป็นต้นปริเชนที่สิบเรียกว่า อรูปปาิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญอรูปปักกรรมฐานสี่ประการมีอากาสานันจายตนะกรรมฐานเป็นต้นปริเจตที่ส1เอ็ดเรียกว่าสมาธินิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญปฏิกูลละสัญญากรรมฐานกับทาตุวะวัฏานกรรมฐานอันเป็นกรรมฐานหมวดสุดท้ายของสมถกรรมฐานส0สบประการ ปาริเชตที่สิบสองเรียกว่าอิทธิวิทะนิเทศแสดงถึงวิธีการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ1ิประการมีอธิษฐานอิทธิเป็นต้นซึ่งสามารถอธิษฐานให้เป็นไปได้ต่างๆอันเป็นผลสําเร็จมาแต่สมถะกรรมฐานที่เจริญได้ที่แล้วปาริเชตที่สิบสามเรียกว่าอภิญญานิเทศแสดงถึงอภิญญาหกประการมีทิพพโสตคือหูทิพ สามารถฟังเสียงพิเศษได้เป็นต้นอันเป็นผลสําเร็จมาแต่สมถกรรมฐานเช่นเดียวกันเบอริเจทที่สิบสี่เรียกว่าขันธนิเทศสแสดงถึงขันห้าอันเป็นภูมิหรืออารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานหมวดแรกเบอริี่เจทที่สิบห้าเรียกว่าอายตนะธาตุนิเทศสแสดงถึงอายตนะสิบสอง และท่าสิบแปอันเป็นภูมิหรืออารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานหมวดที่สองและที่สามตามลําดับปริเจตที่16เรียกว่าอินทสียสัจญนิเทศแสดงถึงอินทรีย์22และอริยสัจสี่อันเป็นภูมิหรือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานหมวดที่สี่และที่ห้าตามลําดับปาริเจตที่สิเจ็เรียกว่าปัญญาภูมินิเทศ แสดงถึงปฏิจจสมุปบาทสิบสองประการอันเป็นภูมิหรือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานหมวดสุดท้ายเปาริเชตที่ส8บปดเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธินิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นทิฏฐิวิสุทธิคือแรกได้เห็นสภาวะธรรมด้วยภาวนาปัญญาได้แก่เห็นรูปเห็นนามตามเป็นจริงอันเป็นการก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาญาณชั้นต้น ปริเชตที่สิบเก้าเรียกว่าการขาวิตารณะวิสุทธินิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นสิ้นความสงสัยในสภาวะธรรมคือรูปนามอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเพราะได้เห็นรูปนามพร้อมทั้งเหตุปัจจัยด้วยภาวนาปัญญาปริเฉตที่ยี่สิบเรียกว่า มัคคามัคคยาณัทสนวิสุทธินิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นข้ามพลอุปกิเลสของวิปัสสนาฉีขาดได้ด้วยภาวนาปัญญาว่านิทางสู่พระนิพพานนั้นไม่ใช่เปาลิเจที่ยี่สเอ็ดเรียกว่าปฏิปทาญาทัศสนวิสุทธินิเทศแสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เข้าขั้นกำลังดำเนินไปตามวิธีของวิปัสสนาญาณทั้งเก้าตั้งแต่อุทยพยายญาณอย่างแก่จนถึงอนุโลมญาณโดยลำดับปริเชตที่22สองเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธินิเทศสแสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานถึงขั้นได้บรรลุอริยามรรคญาณทั้งสี่มีโสดาปติมัคคะเป็นต้น อันเป็นที่ชี้บอกทางสู่พระนิพพานประการสุดท้ายปาริเชทีี่สสาเรียกว่าปัญญาภาวนานิสังสานิเทศแสดงถึงอานิสงค์ของภาวนาปัญญาอันบังเกิดขึ้นด้วยการเจริญวิปัสสนากรร ม, มาฐานอันผู้ปฏิบัติถึงขีดแล้วจะพึงได้ประสบในปัจจุบันอันนับเป็นปาริเชสุดท้ายด้วยประการชะนี สารัตถะคือข้อความอันเป็นสาระในคำภีวิสุทธิมักที่ท่านพระมหาพุทธโคสะเทระนำมาแสดงไว้ด้วยกระบวนการ23ามปริเฉดนี้เมื่อสงเคราะห์เข้าในตรายสิกขาสามประการคงได้ดังนี้คือศีลนิเทศกับทุตังคะนิเทศสองปริเฉดนี้สงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาตั้งแต่ปริเฉดที่สาม กรรมฐ า, านกหณ น, นิเทศถึงปริเชตที่สิบสามอภิญญานิเทศสิบเอ็ดปริเชตนี้สงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขาตั้งแต่ปริเชตที่สิบสี่ขันธนิเทศถึงปริเชตที่สุดท้ายคือปัญญาภาวนานิสังสาริเทศสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาด้วยประการชนนี้จึงได้คําตอบว่า สารัตถะที่ท่านมหาพุทธโคสะเทระนำมาบรรยายไว้ทั้งยี่สิบสองปริเฉดเว้นปริเฉดที่ยี่สิบสามหรือเมื่อส่งเคราะห์ให้สั้นแล้วคือศีลสมาธิและปัญญานี้นี่แหละเรียกว่าแผนที่หรือทางสู่พระนิพพานส่วนปัญหาข้อว่าท่านแสดงไว้อย่างไรนั้นคำพีวิสุธทธิมัก อันบรญจุสารัตะไว้ทั้ง22สองปริเฉตเว้นปริเฉตสุดท้ายเป็นคำตอบที่ถูกต้องและดีที่สุดแล้วฉะนั้นนักศึกษาพึงพยายามอ่านหรือศึกษาปฏิบัติพิสูจน์ให้คำตอบด้วยตนเองนั่นเถิดแท้จริงคำผีวิสุทธิมาร์กนี้นั้นท่านมหาพุทธโคสเถระได้ถ่ายทอดสารัตะจากพระไตรปิฎก ซึ่งบรรจุข้อความถึง8 4 0 0 0พระธรรมคันมาเรียบเรียงปรุงแต่งเข้าระเบียบไว้โดยย่อสั้นแต่มีข้อความล้วนเป็นสาระสำคัญเพียง23ปริเชตกล่าวคือพระวินัยปิฎกซึ่งบรรจุข้อความถึง 21,000 พระธรรมคันนั้นโดยใจความก็ได้แก่สีนซึ่งในคำพีวิสุทธิมากนี้ท่านถอนถ่ายมาแสดงไว้เพียงสองปริเชต คือสีละนิเทศกับทุตังคานิเทศพระสุตตันตปิฎกซึ่งบรรจุข้อความถึงสองห0นึ่งพันพระธรรมคันนั้นโดยใจความก็ได้แก่สมาธิซึ่งท่านถ่ายทอดมาแสดงไว้หน้าที่นี้เพียงสิบเอ็ดปริเชตคือตั้งแต่ปริเชตที่สามถึงปริเชตที่สิบสามพระอภิธรรมปิฎกซึ่งบรรจุข้อความถึงสี่0 0สองพันพระธรรมคันนั้น โดยใจความก็ได้แก่ปัญญาซึ่งท่านถอดถ่ายมาแสดงไว้ณที่นี้เพียงเก้าปริเฉตคือตั้งแต่ปริเชตที่สิบสี่ถึงปริเชษที่ย2ิบสองและเพราะเหตุชนนี้นั้นคำผีวิสุทธิ์ที่มากนี้ก็คือพระไตรปิฎกย่อนั่นเองหรือจะเรียกว่าหัวใจพระพุทธศาสนาชนิดที่ย่อมาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็สมควร เพราะสารัฐที่ถ่ายทอดมาจากพระไตรปิฎกอย่างครบเนื้อถ้อยกระทงความทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอย่างบริบูรณ์สามารถที่จะช่วยส่งผู้ปฏิบัติโดยถูกท่วนแล้วให้ลุ ถ, ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้แท้จริงก็แลการที่ท่านมหาพุทธโคสะเทระได้ถอดถ่ายสารัฐรรจากพระไตรปิฎกมาปรุงแต่งเป็นบรรทัดฐานไว้ โดยมีใจความอันกระทัดรัดและไพเราะเหมาะสมสำเร็จเป็นแผนที่ชี้บอกทางสู่พระนิพพานไว้อย่างย่อสั้นแต่เด่นชัดจะแจ้งเข้าใจง่ายและสมบูรณ์ทั้งด้านทรฤษีและด้านปฏิบัติเห็นปานชนีนั้นนับว่าเป็นบุญลาบอันประเสริฐเลิศยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังๆนี้อย่างหาสิ่งเปรียบได้ยากทีเดียวถ้าหากเราไม่มีคำพีวิสุทธิ์มากนี้เป็นมรดกตกทอดมาแล้ว จะทำให้นักศึกษาต้องเสียกําลังและเวลาค้นคว้าหาสารัะในพระไตรปิฎกเป็นอันมากจึงจะได้สารัะมาเป็นหลักปฏิบัติถึงกระนั้นก็ยังไม่เป็นที่หวังได้อย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่นักศึกษาชั้นมีปัญญาพิเศษจริงๆแล้วถึงจะศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกตลอดชีวิตก็อาจจะไม่ได้สารัะอย่างสมบูรณ์เท่าที่ปรากฏมีอยู่ในคัมภี์วิสุทธิมรรคนี้ด้วยซ้ํา และคำพีวิสุทธิ์ที่มากนี้เป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อเรื่องเลือกันในหมู่ปราชฝ่ายศาสนาอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งทวีปเอเชียและทวีปยุโรปทั่วไปสำหรับผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาปรารถนาใกล้จะอ่านพระไตรปิฎกแต่ไม่มีโอกาสเพียงพอด้วยประการใดๆก็ตามข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะแนะด้วยความปรารถนาดีว่า สมควรอ่านคำพีวิสุทธิมากนี้แหละเป็นดีที่สุดจะเป็นเสมือนได้อ่านพระไตรปิฎกโดยตลอดเหมือนกันหรือบางทีอาจจะได้สาระประโยชน์ยิ่งกว่าอ่านพระไตรปิฎกโดยตรงเสียด้วยซ้าไปแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคำพีวิสุทธิมักประเสริฐกว่าคำพีพระไตรปิฎกหมายความเพียงว่าคำพีวิสุทธิมักนี้มีสาระถะเพียงย่อๆเหมาะแก่ผู้มีโอกาสน้อย ทั้งท่านผู้รจนาก็ส่งไว้ซึ่งปัญญาอันชานฉลาดสามารถถอดถ่ายมาปรับปรุงเข้าระเบียบมีข้อความสัมพันธ์ติดต่อกันตามลำดับจากง่ายไปหายากจากหยาบไปหาละเอียดจากต่ำไปหาสูงถูกต้องตามหลักวิชาครูทุกประการข้าพเจ้าเห็นว่านอกจากเป็นการเหมาะสมสำหรับผู้มีเวลาน้อยแล้วยังเป็นการเหมาะสมสาหรับผู้มีปัญญาน้อยด้วย ขปเจ้าใกรที่จะให้ข้ออุปมาว่าการที่นักศึกษาสมัยนี้จะพึงค้นคว้าหาสารัะในพระไตรปิฎกนั้นเป็นเสมือนค้นหาเข็มในมหาสมุทรซึ่งถ้าหากจะได้พบเข็มก็จะต้องใช้พลังงานอย่างหนักหน่วงและจะต้องใช้เวลายาวนานมากทีเดียวแม้กระนั้นแล้วถ้ามีชายนักศึกษาชั้นปัญญาชนจริงๆก็ไม่มีหวังจะได้พบด้วยซ้า ส่วนการค้นคว้าหาสารัะในคำภีวิสุทธิ์ที่มากนี้เป็นเสมือนค้นหาเข็มในโอง่งซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานมากนักและไม่ต้องใช้เวลาอันยาวนานสักเท่าไหร่กับทั้งมีหวังว่าจะต้องได้พบเข็มอย่างแน่นอนด้วยหากนักศึกษานักอ่านทั้งหลายจะพึงเกิดความย่อท้อขึ้นมาว่าแม้คำภีวิสุทธิ์ที่มากนี้ท่านก็แสดงไว้อย่างยืดยาวเหลือเกิน ต้องเสียเวลาอ่านมากหรือไม่มีเวลาพอจะอ่านอยู่นั่นเองข้าพเจ้าก็จะไม่ขัดอัธยาศัยแต่จะขอชี้แจงไว้ว่าคำพีวิสุทธิมากนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับคำพีพระไตรปิฎกซึ่งบรรจุความถึง8 4 0 0 0พันพระธรรมคันแล้วก็เป็นเรื่องที่ยอดสั้นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าจะย่อแผนที่ชี้ทางพระนิพพานให้เล็กสั้นลงกว่านี้ก็อาจจะทาได้ และมีผู้ทาไว้แล้วด้วยซ้ําไปแต่ก็จะมองไม่เห็นถนัดชัดเจนผลลัพธ์ก็คือไม่ได้สาระประโยชน์อย่างสมบูรณ์ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติดยเฉพาะด้านทฤษฎีคำภีวิสุทธิ์ที่มากนี้มวนปราดฝ่ายศาสนาต่างก็ให้ทัศนะไว้อย่างต้องการว่าบรรดาคำภีพุทธศาสนาซึ่งย่อสาระจากพระไตรปิฎก เพื่อให้สำเร็จเป็นแนวการศึกษาและแนวการปฏิบัติทางลัฐธิสำหรับผู้มีโอกาสน้อยหรือปัญญาน้อยแล้วไม่มีคำพีใดที่เหมาะสมซึ่งทำได้ดีมีข้อความไพเราะเข้าใจง่ายน่าอ่านน่าศึกษาเหมือนคำพีวิสุทธิมรักนี้สักคำพีเดียวแต่อย่างไรก็ดีเพราะเหตุที่พระพุทธวจนะนั้นเป็นสิ่งที่สุขขุม คําภีรรภาพลึกซึ้งเป็นอันมากโดยธรรมนิยมฉะนั้นข้อความในคมภีวิสุทธิมากนี้ถึงแม้ท่านผู้รจนาจะได้พยายามย่อความมาแสดงไว้เป็นระเบียบเพื่อความเข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านสักเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังมีสาระทาชนิดที่สุขุมลึกซึ้งประกอบอยู่เป็นธรรมดาด้วยความจริงข้อนี้แหละอาจมีได้เป็นได้ทีเดียวที่จะทาให้นักศึกษาหรือผู้อ่านโดยมาก ถือเอาเนื้อท้อยกระทงความไม่ได้ถนัดหรือเข้าใจไม่แจ้งชัดด้วยเพียงการอ่านตำราโดยลำพังตนเองดังนั้นทางที่ดีที่สุดควรจะได้หาโอกาสศึกษาไต่าถามในสำนักครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเป็นครั้งคราวอีกสถานหนึ่งด้วยและเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ครุ่นคิดมานานแล้วว่าคมภีวิสุทธิ์ที่มากนี้ไม่ใช่แต่เพียงใช้เป็นหลักสูตร สำหรับนักศึกษาภาษาบาลีแผนกเดียวเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เท่านั้นคือใช้เป็นหลักสูต ร, ระเรียน8ประโยคและ9ประโยคควรจะแปลและเรียบเรียงเป็นความไทยใช้เป็นหลักสูตรแผนกนักธรรมและธรรมศึกษาด้วยทั้งนี้เพื่อให้สารัตถะในคำพีวิสุทธิมักอลัมค่านี้ได้แพร่หลายกว้างขวางไปในหมู่นักศึกษาศาสนาทุกแผนก ตลอดถึงประชาชนผู้ใครธรรมะทั่วไปซึ่งสาร ะ, ะในคำพีวิสุทธิมักก็มีคุณลักษณะลดลันชั้นเชิงพอเหมาะพอดีกับชั้นของผนกนักธรรมหรือธรรมศึกษาที่คณะสงฆ์ใช้ศึกษาอยู่ในปัจจุบันคือตอนศีลนิเทศใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีตอนสมาธินิเทศใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นโทตอนปัญญานิเทศ ใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกแม้ว่าขณะนี้ความคุ่นคิดของข้าพเจ้ายัางเป็นความฝันจมอยู่ที่ก้นบึงก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็ยังมั่นใจอยู่ว่าความฝันของข้าพเจ้านี้จะเป็นความจริงผุดลอยขึ้นมาสักวันหนึ่งถ้าผู้นำทางศาสนามีความเข้มแข็งขึ้นเมื่อใดก็คงจักจะเป็นความจริงขึ้นเมื่อนั้นก็แลการตรวจชัาระครั้งนี้ ถ้าตอนใดหรือประโยคไหนข้อความในคำพีวิสุทธิมักย่อสั้นนักทําให้เข้าใจได้ยากแต่ในคำพีมหาดีกาปรมัตธรรมชุษาให้อัตถาที่บายไว้อย่างกว้างขวางและช่วยเสริมให้เข้าใจความได้แจ่มกระจ่างขึ้นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ยกเอาข้อความในมหาดีกานั้นมาเรียงเข้าประกอบกันหรือติดต่อกันไปทีเดียว โดยมุ่งที่จะให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสาระนั้นๆโดยถูกต้องเป็นประมาณขอท่านผู้อ่านและนักศึกษาโปรดทราบตามนี้ถึงกรงนั้นแล้วก็ดีโดยเหตุที่คำพีวิสุทธิมากนี้นั้นบรรจุไว้ซึ่งสาระอันสุ ข, ขุมประณีลึกซึ้งกว้างขวางซึ่งบางแห่งบางตอนลึกล้ำคำพีรภาพสิจนเกินสมองสามัญชนที่จะพึงรู้ได้ก็มี ชนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งโดยที่ข้าพเจ้าเองก็มีสติปัญญาดวงตาอันสั้นนักเหมือนกระต่ายใช้ขาอันสั้นๆของมันอย่างน้ำมหาสมุทรดังนั้นแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ใช้ความอุตสาหะพยายามของลูกผู้ชายชำระตรวจสอบเป็นอย่างดีอย่างสุดฝีมือเท่าที่มีอยู่แล้วก็ตามก็อาจจะยังมีข้อความผิดพลาดคล้ายเคลื่อนเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย โดยไม่ต้องสงสัยทีเดียวฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขออภัยเว้ะที่นี้ที่ทำให้ท่านผู้อา่านต้องเข้าใจเคลื่อนคลาดหรือไม่สามารถที่จะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจกระจ่างแจ่มชัดและขอให้สันทานุ ม, มัดไว้ขอท่านปราดทั้งหลายจงอาศัยความกรุณาช่วยตัดและช่วยต่อให้พอเหมาะพอดีทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ชาวพุทธไทยสืบไปตลอดกาลด้วยเทิญ คำพีวิสุทธิมักสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาอยาอาสภามหาเทระแปลและเรียบเรียง